ที่จะนำประโยชน์ความสุขมาให้ท่านว่าสุสขสังละปะเตปัญญงฟังด้วยดีนั่นที่จะจังจะเกิดปัญญาคำว่าฟังด้วยดีนั่นคือตั้งใจฟังโดยความเคารพตามธรรมํำสอนประพฤติเจ้าที่พระองค์วางไว้เรียกว่าเป็นพิธีธรรมหรือพิธีฟังธรรม ในทางพุทธศา ส, สนาท่านวางระเบียบเพื่อเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความงามในชุมชนจึงมีการพิธีการเกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าใจในความมุ่งหมายก็เลยเราดูแต่ระเบียบดูแลแต่พิธีไม่ได้ออกปัญญิปโน้อมเข้ามาหาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญา โรจากความมุ่งหมายในพิธีที่เป็นระเบียบได้จัดทำขึ้นเช่นพิธีในในงานศพเหมือนก็เรากำลังทำนี่ก็เป็นพิธีอันหนึ่ง พ, พิธีงานปบันมักในมนฑลพระสวดคะถาที่สวดนั่นก็ไม่เหมือนกับพิธีอื่นๆไม่ว่า พิธีงานศพที่ไหนมีทุกครั้งสลวงร้วนแต่สวสดกุสลาธรรมะกุสลาธรรมะอภยากมมารธรรมะธรรมะสวดนี้ถ้าไม่มีคนตายเพียงเดินในงานศพเลยรู้สุกว่าจะไม่ได้ฟังเลยทั้งๆที่เป็นธรรมะที่รงเสะ้ยงแสดงน่าจะได้ฟังอยู่เสมอเสมอและได้ปฏิบัติเปิดความเข้าใจ แล้วนอกจากอันนันแล้วชักอนิจจาวัฏสงฆาราอุปาทาวายธรรมิโนโ่เนี่ก็เป็นพิธีอันหนึ่งเรียกว่าพิธีชักอนิจจาหลังจากสวดเรียกว่าบาังสกุลโดยความเพ่งลงถึงวัตถุเม่าชักอนิจจาแล้วก็ต้องมีวัตถุชยญทานต่างๆเป็นทานนามัยกุศลก็ถูกเต้างการทำเนียม แต่ความมุ่งหมายประโยชน์ที่จะได้รับอันสูงละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อหาสาระข้อความที่ท่านสวดและที่ท่านชัก บ, บังสกุลเป็นหลักธรรมะอย่างสูงเป็นธรรมะที่เตือนสติให้เราทั้งหลายเกิดความรู้สึกตัวเมืออท่านสวดไม่เอาไปทำ กุสลาธรรมะโกสลาธรรมะอัพยากตาธรรมะแล้วท่านแยกสวดออกไปว่ากุสลายัตสันิสัมมยะตามาวัจรังกุสังกิตังอุปนังโหติเท่านแยกแม่บทจบากกุสลาธรรมะโกสลาธรรมะนี่เองอกุสลาธรรมะก็แปลว่ากุศลทั้งหลายอที่เราได้ธรรมะแล้วโกสลาธรรมะก็ได้แก่อโกศลทั้งหลาย ที่ได้ทํามาแล้วอพยากตาทำมาส่วนทำที่เป็นกลางกลางที่เป็นอตัววัตถุที่เป็นของกลางไม่เป็นบุญเป็นบาปซึ่งจะรับรองที่จะให้บงังเกิดกุศลาและอกุศลาตามากุศวจรักุศลงังติดังโหตินี่ท่านยกถึงว่า สุศลทั้งหลายเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของบุคคลใดจิตใจของบุคคลนั้นน้อมไปรับบำเพ็นประโยชน์ทำประโยชน์เห็นโรคก็เป็นกุศลขึ้นมาและลึกถึงอยากจ ะ, ะทำบุญให้ทานาศสินภาวนา ให้เกิดประโยชน์รูปปาละมณังว่าปารลรูปเป็นต้นเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสัทว์เห็นพระเจดีย์เห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นหนังสือธรมธรมะธรรมโมได้อ่านอยากจะอ่านอยากจะศึกษาให้ได้ความรู้เมื่อศึกษาได้เห็นแล้ว กปิดศพมรณกระกัะงจิตยินดีน้อมไปในทางที่ในส่วนที่ละสิ่งที่ไม่ดีให้ทํากระให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นธรรมะที่ท่านสมเป็นข้อประพฤติธปฏิบัติน้อมเข้ามาแ้ว ใ, ใส่ตัวของเราเออนี่เรียกกับกุศลทั้งหลายเรียกว่ากุศลาธรรมะกุศลาอันเป็นกุศล น, นั่นเป็นธรรมะอย่างจิตบุคคลให้ฉลาดเรียกับกุศล อตาตมาทำมากระทำให้ทำให้บุคคลตรงกันข้ามบุคคลไปศึกษาการปริทัติการปฏิบัติแล้วไม่ได้ทำจิตใจให้ฉลาดเพราะฉะนั้นการกระทำอันใดที่มายังจิตใจให้ฉลาดการกระทำมันนั้นไม่จัดเข้าในกุศลทํมาเองโง่เชื่ององมงายบางคนที่มาหลอกลวงเชื่ององมงายนับถึงงมงายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกุศลในกร น, นี เชื่อพิธีเช่นถือมงคลภายนอกถือเดินดวงดาวไม่ไดีไปแทงแก่ข้างนอกทำให้ได้ความรู้ความฉลาดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในาทางตระพุทธศาสนาะท่านยกย่างบุคคลผู้ได้ฝึกฝม ผลอบรมจิตให้มีความฉลาดสา ม, มารถรู้จักเลือกการกระทําในทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์อันเป็นความสุขทแท้จริงให้เกิดความสงบไม่ใช่ว่าทําตามตามกันเข้าทำมาแล้วก็ตามทํากันโดยไม่รู้เหตุผลในการกระทําเพราะฉะนั้นท่านจึงวางระเบียบทำวินยัยไว้ให้เราทั้งหลายได้การ ได้รับการศึกษาในรับการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจในหลักธรรมคาสอนให้ถูกต้องจึงสา ม, มารถที่จะยึดมาเป็นที่พึ่งให้ได้ประโยชน์และกําจัดทุกภัยได้แท้จริงกว่ะนั่กคุปสงลาทำมาทำอย่างบุคคลให้ฉลาดแเป็นการทํามุนให้ทานนี้ก็ทำอย่างบุคคลให้ฉลาดเพราะเหตุใด ถ้ากอดีวัตถุเรานั่นกอดีเขาไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรโดยปกติแล้วก็อยู่ตามบ้านตามช่องอยู่ตามร้านตามเท่ต่งตางๆถ้าจิตไม่ฉลาดไม่เป็นบุญแล้วสิ่ง น, นั้นนันก็อยู่อย่างนั้นถ้าจิตของบุคคลคนการกุศลเกิดขึ้นในจิตใจจากการได้ศึกษาอบรมเห็นแล้วเกิดโสมนัตความร่่มใส สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นกุศลขึ้นมาเป็นวัตถุทานเป็นวัตถุธรรมอุนกุศลขึ้นมาอยาจะชัดตัวอย่างมันต็วัดของเรานี่แหละสถานที่นี้แต่ก่อนมันก็เป็นสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่ปลูกนิธรรมดาเมื่อเราทั้งหลายเกิดความยินดีสมนบันร้อกันจัดขึ้นมาแล้วสถานที่นี้เรากลายเป็นสำนักที่กล่าวไหว้ อ่าที่ศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติให้ได้ความรู้ในอัดในทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ลอกละสิ่งที่ไม่ดีให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีให้เกิดความท่องใสในจิตใจไม่ให้เศร้าหมองเนทํงความมุ่งหมายในหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าวัดลอยสถานเป็นลอยสถานที่เป็นปูชิยะสถานกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมา วัตถุสิ่งอื่นเปรียบได้อย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราขยายให้ให้รู้ความขวางขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายเมื่อจิตใจอบรมได้ดีมีความรู้ความฉลาดแนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างพัสดุทั้งหลายเป็นเครื่องมือของความฉลาดในทางจิตใจใช้ ใ, ชให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านเกิดมาในโลกเพระท่านอาศัยเครื่องมือปัจจัยสี่เหล่านี้แหละ บุคคลที่ทาบุญให้ทางการโคศก็ได้ผลได้ประโยชน์ดได้มุษสมบัติสวรรคสมบัติปฏิบัติเข่งคัคได้ถึงพระนิพพานสมบัติตามบรรดัภ์ผู้รับทายทานก็ได้รับความ ส, ดสะดวกว่าสบายในการเจริญสมณะธรรมมำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อแผดอบรมก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ความรู้ความฉลาดด้วยจัก ทางถูกและทางผิดแล้วเดินตามทางที่ถูกในอริยามักตประกอบไปด้วยองค์แปเพราะฉะนั้นทำเหล่านี้รู้แต่ยังบุคคลให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์การทำทางไม่ใช่หลักเป็นของทำแล้วสูญเปล่าแต่ถ้าทำทางของบุคคลไม่ฉลาดบุคคลไม่เข้าใจก็อ ย, ย่อมได้รับผลน้อย หรือไม่ได้รับผลเหมือนกับคนทำงานหรือลงพืชชาวเกษตรที่ไม่ได้ศึกษาไม่ฉลาดทำลงไปแล้วในการทนุ บ, บำรุงรักษาไม่ดีไม่ถูกต้องแทนที่จะลิดดอกออกผลให้ได้ผลกำไรความสุขความเจริญกลับขาดทุนลงไปก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงยกตุวสลา เป็นผู้นำคือความฉลาดเป็นผู้นำผูสุนทั้งหลายถ้าจิตใจฉลาดแล้วทําอะไรก็ย่อมมีผลย่อมหมายรับผลทําไม่ฉลาดแล้วก็ย่อมขัดทุนได้การปฏิบัติทำคําสอนพระพุทธเจ้าทานก็ดีสินกับดีพนาก็ดีเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนเขียนอ่านก็ดีถ้าไม่ฉลาดแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ไปความสุขความเจริญด้วยกันหมดทั้งนั้น พอจะทำผิดได้รับทุกทอเช่นเดียวกันกับทั่วทัไปไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม้แต่นักบวชถ้าทำผิดแล้วก็ได้ทุกได้ทอดเช่นเดียวกันไม่ได้ล้วนกับเรื่องความผิดเรื่องความทำไม่ถูกเรื่องจิตไม่ฉลาดทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะฉลาดพระองค์ได้วางไว้ความสดการอบรม เช่นในการทานก็เป็นการส่วนหนึ่งทำจิตใจให้ฉลาดรรักษาศีลก็ทำจิตใจของเราให้ฉลาดตลอดราถึงภาวนาและระดับปรับฟังธรรมก็ยังจิตใจให้ฉลาดการอบรมอยู่ในขั้นใดชั้นใดเราก็ได้ฉลาดความรู้ความสามารถในชั้นนั้นๆรู้จักยางถูกต้องช่องแคล่วไม่เก้อเขินทำยังบุคคลให้ฉลาด อากุศลาทรมาทำสวรรค์ยังบุคคลไม่ฉลาดลกอำ น, นาจแห่งความไม่เข้าใจทำครอบงำจิตใจบุคคลสะสมตรมอันเกิดขึ้นจากจิตใจไม่ฉลาดนั้นย่อมไม่มีปัญญาพิจารณาเลือกให้ได้ธรรมทำกัรในทศเจริต ต, าตา่างๆ เพื่อไม่ให้โกรดความมริสุ์ทางจิตใจแต่รรบกระเวณภัยจากการกระทำมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นมูลฐานในทางจิตใจไม่ฉลาดบางคนอาจเข้าใจว่าถ้าไม่โลภนั้นจะได้อะไรโลภได้มากๆแล้วได้ความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ ให้จะมาตรวจตราแล้วความได้มากจากความโลภนั้นย่อมมีไทยเพราะตามบันไดาที่ทําจากจิตเปนอกุศลไม่ฉลาดด้วยความโลภแล้วย่ อ, ยอมได้รับความกระทับกระเทือนทั่งตนและบุคคลผู้อื่นย่อมมีไทยตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเข้าในอากุศลธรรมมาเพื่ออกุศลไม่มีอยู่ ตัวสาคัญเป็นมูลฐานอันสำคัญสำคัญอย่างนี้คือความโลภละโมกความโลกนี้สามารถครอบวงำจิตใจบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมและไม่ได้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้บุคคลผู้นั้นกระทำการชดเิตผิดจักฤฤฤฤฤ ความบริสุทธิ์ทางจิตใจด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นอภิสลาธรรมมาอภศสสนทังหลายถ้ายังจิตใจบุคคลไม่ฉลาดบุคคลไม่ฉลาดแล้วย่อมถูกอโกสลเลนั่นจินจชักจูงจิตใจให้กระทำเรืองวงการให้จิตใจมีคล็ดนึกกระทำ ในสิ่งที่ให้เกิดเป็นเวรเป็นภัยไม่ให้สงบสุขเพราะฉะนั้นส่วนฝ่ายอภรรษอันใดที่ยังจิตใจไม่ให้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนในเหล็กเลี่ยงม่ให้พบค่าสมาคมให้ละจะเรียกว่าทำความไม่ดีและทุจริตพฤต ก, กรรมอันเป็นบาปเช่นการเบียดเบียนกันด้วยอำ น, นาจแห่งความลอกเกิดขึ้นในใจแล้ว ย่อเบยดเบียนซึ่งกันและกันฆ่าสัตว์รักทรั พ, พประเภทผิดจากรกามว่างมุสาว่าเดิมกินโุลาเมลยัยทาทุกชิวิตสร้างเวรภัยเกิดขึ้นให้แก่ตัวของเราเองนี่เป็นอักุศลธรรมมาอัพยากตจธรรมมาเป็นธรรมสภาวะกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบา เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สณหับบุคคลที่เมื่อจิตเป็นบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบุญไปด้วยเมื่อจิตเป็นบาปแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบาปไปด้วยเป็นเครื่องมือใช้ในการทําบุญทำบาปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่เป็นกำลังให้สำเร็จรูปเช่นเพียงแต่จิตคิดไม่มี้ัตวตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน แต่กายไม่มีไปไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ปากไม่พูดการสําเร็จให้อกุศลอยากช่างการกระทําเหล่านั้นไม่สําเร็จมันต้องมีเครื่องมืออที่เป็นกลางๆนี่เองมในสนณะใช่มันก็ตามไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมองในทางที่บุญกุศลก็ได้มันก็รับรู้ในทางบุญทางกุศล มองโรคที่เป็นอัตโนร์ให้ทํำบาปมันก็มองรักได้หูก็เหมือนกันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปใช้จิตใจ่ไปฟังในสิ่งที่เป็นบาปมันก็รักมาให้แต่สิ่งที่เป็นบุญมันก็รับรับได้ทุกอย่างเอให้เจหูอย่างดีเพอจะนั้นการหูจมูกเล่นกายในเรื่องปัญญา ดมิจทวารวัชนะสับท่องเที่ยรับสิ่งน้มสิ่งนี้นี่เป็นอภยคตาธรรมได้ทำไทางกลางแต่มีนอกเหนือกว่านี้ยังมีอยู่มากท่านจัดไว้เพรจะนั้มเราทั้งหลาย เมื่อได้ยินกุศลาทรมมากุศลารรมาแล้วก็น้อมโอปนาโกมาดูจิตใจของเราเราฉลาดแล้วหรือหลังเรากำจัดอกุศลามีอักบายกําจัดอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในตัวของเราได้หรือมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราก็พยายามสำํำรวจตรวจตรองดูถ้ากุศลบางเกิดขึ้นในจิตใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว อเช่นาาว่าการวาจรกุศลก็ให้าสามารถทำบุญได้ทานอรสาสินได้ภาวนาจิตใจได้สงบพอสมควรโรคภาวจรกุศลโรคาวจรกุศลนี่ไม่เกี่ยวเนื่องโดวยวัตถุยิตฉลาดในการภาวนาทำฌานทำสมาบัตให้สงบหนึน่งน่กุศลธรรมมาในส่วนโรปภาวจจรกุศล เข้าชามเข้าสมาบัติได้ความสงบสงบสุดสงบมีเว๊กไม่เกี่ยวเนื่องโดยกายไม่เกี่ยวเนื่องโดยวัตถุเกี่ยวนั่องโดยใจได้ปล่อยวางอารมณ์อันยากไม่ยึดมั่นถึงมั่นอารมณ์ภายนอกอแต่ยังยึดโลกภายในอาโวณปาวาชนังกุศลังจิตตัง อารมณปป์าววจรุศลเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตให้จิตนั่นเข้าฌานอย่างไม่ส่วนอารูณสมาเทศอย่างละเอียดไปตามระดับเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วให้ใหยังบุคคลเจ้าของผู้อบรมจิตใจในฉลาดส่วนนั้นสามารถยึดความสุขอันละเอียด ซึ่งปกติ ธ, ธรรมดาไม่มีจิตธรรมดายึดไม่ได้เข้าไม่ถึงแต่เพราะความฉลาดที่สามารถจะเข้าถึงความสุขในส่วนนี้จะต้องฝึกหัดจิตโดยเฉพาะจิตละเอียดเสียบแล้วสนบเกี่งละกิเลสส่วนอยากอยากชั่วคราวปล่อยวางกิเลสทั้งอย่างอยากทั้งอย่างละเอียดจนจิตใจบริสุทธิ์สะอาดทองใส ได้รับความสงบสุขภายในชั่วคราวที่เรียกว่าเข้าถึงอรู ป, ปาวาไวจรอุสนยิ่งโลกุตะระกุสนถอดถอนเส้นน้ำจิตใจิ่โรคภัยให้หมดเส้นไปอย่างเด็ดขาดเสวตเฉดประหานี่กุสนอันนีรคือจิตใจยังฉลาด ยังหมักผลให้บังเกิดขึ้นสามารถประหารสมุทรไทยและมูลฐานที่เหตุให้พกเกิดให้เส้เนเฉยเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาไปทำท่านไม่ได้กล่าวให้ละเอียดว่างขวา ง, งถึงโรคปลาไหลจออารมูปปราไหลจอนหรือโกกรคพุทธละโภชนท่านกล่าวเพียงแต่ตามมาว่าจะรางพุทธลั ง, งจิตตังอุปนังหอเต๋เอสมาตะละกตัง ตามอุปนิสัยของโูกที่จะเข้าใจได้ในส่วนนี้เสกอดท่านจึงกล่าวเพียงรูปารมัพธารมคันธาร ม, ร, าา ร, มรสารมโพธารมธรรมาร ม, รมในการการมาวาจรกุศลมิจิตยินดีในการกระทำบนให้ทานรษาสินภาวนาปกติธรรมดาที่เราทั้งหลายปฏิบัติทุกวันทุกวัน เราต้องการให้กุศลเหล่า น, นั้นเลื่อนฐานะจนถึงรูปารมณ์รูปาจจรฌานกุศลรูปาวาวจจรกุศลอรูปวาจจรกุศลให้ละเอียดไปกว่านี้อีกเราต้องฝึกจิตให้ฉลาดละเอียดประณีตไปตามหลักเจินสมถะและวิปัสสนาภาวนาปฏิบัติชั้นภายในจะ ย, ยิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นท่านแสดงถึงกุศลกุศลาธรรมากุศลาธรรมานามาแล้วท่านแสดงถึงแม่ทําพี่วิพังท่านจะแม่แก่ทําจิตให้ฉลาดปัญจขันธารูปขันธ์โทท่านยกปัญจขันธ์ห้ามาพิจารณา ในบัรดะขันห้านั่นท่านก็ยกแต่เป็นตัวอย่างพ่อให้เราพิจารณาอรูปขันถ้าว่ายังกินเจโรคปังอัติตตานากตะปจุบ ป, ปนังในขันห้าท่านยกแต่โรปขันอย่างเดียวอยังกินเจเวชนาอัติตตาท่านก็ไม่ได้สวดใช่จริงแต่ถ้ารายละเอียดแล้วก็ต้องสวดทั้งถึงถึงห้าขันทั้งห้าในยกแต่รูปขันให้เราพิจารณา ตัวให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในกุศลฉลาดในโลกขันไดเกิดปัญญาเข้าใจไม่ขันข้าก็จะมีอยู่ในตัวของเราคือรูปของเรานี่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงพวกเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโรคของเราที่เราอาศัยเรียกว่าขันอยู่นี่แต่ถ้าเรามาพิพจารณาแล้วก็รู้ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมีลักษณะอยู่สามอย่าง คือโรคนี่ประกอบไปด้วยอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงถ้าเราพริจารณาว่าเป็นความจริงเห็นด้วยไปจากม่ตัวของเราเองแต่เราไม่เอี่ยงจริงๆยังไม่ใช่มันเที่ยงเมื่อไรมันเปลี่ยนแปลงเราเห็นอยู่ในสติปัญญาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอย่างละเอียดทุกขังความเป็นทุกเรากำหนดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นทุกไม่ใช่ว่าตกติดไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นอะไรละ เราไม่ได้เอาใจใส่ให้เกิดปัญญาสามารถที่จะไม่เล็ดมัน่นถือมั่นได้เข้าใจตามๆาเป็นจริงได้แต่เพียงรู้ขาดเนร่รู้ตามอาการเท่านั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะถอด้อนอัชนิมนะความถือตนถือตัวได้กวาเป็นของตนของตัวได้ เพราะอนัตตาถึงแม้ว่าเราจะจำได้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่เมื่ออวิชชาอย่างค่อมพอจิตอยู่โมหะยังมีอยู่แล้วมันก็ยังหลงถืออยู่นั่นแหละแต่กลับใดเรากำจัดอวิชชาโมหะยังไม่สิ้นแล้วซึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังได้รู้จักอนิจจสุกขังอนัตตาจำได้ก็ตาแต่จิตไม่ยอมปล่อยวาง เพราะอุปทานมขันที่อาศัยโมหะอาวิชชายังมีอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกฝนอบรมจิตพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดในเรื่องนี้ให้เข้าใจคัดแยกดูต่างความเป็นจริงในอาการทั้งสามสิบสองดูรูปเสียก่อนที่เราทั้งหลายที่สวด อาญาก็แม่กายโองกายของเรานี่แหละเน่ก็เพื่สนับสนุนคุศลธรรมมาสร้างความฉลาดให้แก่จิตใจของเรานี่เองไม่ใช่ส่วนแต่เพียงให้จําได้ให้ได้ยินเสียงเท่านั้นเราต้องอบรมใจเรารู้ความจริงตามเนตไแค่ไหนเพียงไหร่เราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตให้ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ที่มันปรากฏมีแล้วในตัวของเราทุกทุกคนถ้าเราส่งหลายพยายาม พิจะะารณากลับไปกลับมาอารมณ์พิจารณาไปแล้วความรู้ความฉลาดคอยละเอียดแยกแยะไปตามระดับไปตามระดับค่อยเห็นละเอียดไปตามระดับว่าจะได้รู้ว่าอนัตตาถ้าเรารู้โลกนี่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วในส่วนนามธรรมที่เรียกวบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ เราก็จะรูปง่ายด้วยความสะดวกเพราะมันเกี่ยวเนื่องถึงกันพราะจิตเพียงแต่รูปรูปแต่ส่วนอยาจกจิค่อยละเอียดความรูปค่อยละเอียดไปตามมันอ่ะสามารถได้สัมผัสเกี่ยวเนื่องในแวดขณะเพราะขันห้านี่มันจะต้องอาศัยเกี่ยวเนื่อง ก, กันด้วยปรบอุปทานนะขัน ถ้ามันแยกไม่มีอุปทานอาคารและเวทนาก็ถูกแยกไปด้วยสัญญาก็ถูกแยกไปด้วยสังฐานก็ถูกแยกไปด้วยวิญญาตก็แยกไปด้วยเมื่อถูกแยกแล้วไม่มีเครื่องมือไม่มีทางลังที่จะสร้างความทุกข์ความมัวหมองให้แก่จิตใจจิตใจได้เข้าถึงซึ่งความสงบและความสุขโดยไม่หน้าแบ่งความรรคความฉลาดได้ทางจิตใจ เพราะฉะนั้น่นสมัยก่อนที่องค์สัมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดง่ธรรมะส่วนนี้ขึ้นครั้างใดแล้วผู้ฟังมีมนุษย์แในเทวดาทั้งหลายได้สําเร็จหมักผลเป็นอันมากที่เดียวจึงได้นิยมศึกษาเราเรียนนำมาสวดประกาศให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่เราขาดโอปนาิโกน้องเข้ามาหรือขาดความจดจําไว้นะ เพื่อไปใช้มนะ์สืการพิจารณาโดยอุบายแยกคลายให้เลิกซึ่งให้เกิดประโยชน์จากการที่เราจําได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเอามาใช้ให้เราทั้งหลายได้รับความสงบได้รับความสุขสุดท้ายจะเรียกว่าอานิจนวตัตสังการาอุปาทลายะเรียกว่าชักบังสกุลแล้วก็ผูกได้สายสินจารวัตถุเหล่านั้นจากรูปเหล่านั้นอันนี้พ่อเป็นพยานหลักฐาน พาะพุทธแต่ปากอนิจาอนิจจาไม่เห็นกันเลยมันเลื่อนลอยจิตไม่ได้ยึดจึงเ อ, อาใบใสายเส้นไปผูกกับคนตายให้มองดูนี่นี่เป็นอย่างนี้แหละเราทั้งหลายสัตสัตาารมรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมารินสุจัมสมเรศเร่เทศตายมาแล้วกันที่ยังมีชีวิตอยู่กันเดชจะต้องตาย แต่แท้หั่งมาเดชสานีิแม้แต่เราพุทโธเองพุทเทศเองพูทชัดเองก็จะต้องกลายเช่นเดียวกันไม่มีใครหนีพ้นนี่เรียกาอ่านิจชาความไม่เที่ยงของร่างกายความไม่เที่ยงอยั้งยามภานะไปเที่ยวดูโลกไปจันโลกอังคารโลกพัดดวงอาทิตย์โลกเกษตรโนประเทศ น, ทศนี้พระองค์ดูแต่ขันห้าดูแต่รูปขันเวทนาขันใน ส่วนทอยู่ในพระองค์พระองค์ก็ได้เป็นผู้รู้เจ่นโลกพระโรคทุกโลกไม่นีจจากขันห้าไม่ห่างจากขันห้าเมื่อรู้ขันห้าแล้วก็ต้องรู้โลกอื่นด้วยเหมือนกับรู้จากขันห้าของเราเองก็ต้องรู้จักขันห้าของคนอื่ น, นเพราะมันโรคขันเหมือนกันเวทนาเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันสําหรับ้งสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกัน ต่างก็อย่าละเอียดกว่ากันเท่านะเราสามารถจะรู้ตามความจริงสิ้นสงสัยด้วยอาศัยการศึกษาและปฏิบัติจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานี่ความมุ่งหมายการสวดการที่เอาความที่สิ้นชีวิตแล้วมาเป็นพยาน ม, มาตักเตือนสติเราท่านทั้งหลายไม่ให้ประมาทเพราะความไม่ประมาท องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรวบรวมธรรมะคำสอนประพุติเจ้าที่เป็นกุศลทั้งหลายอยูเทความไม่ประมาทนี่เองทำทั้งหลายที่เป็นกุศลที่เป็นสังคฆธรรมก็ดีสังฆธรรมก็ดีทำที่เป็นปัจจัยต้อแต่ไม่ไม่ปัจจัยต้องแต่ทำหลักรวมยอดโยเิความไม่ประมาทท่านเจ ร, าราิญอบรมหลบุคคลู้ชึ่ง พูดถึงทำใจยั่งที่ไม่ประมาทว่าบุคคลผู้นั้นไม่ตายบุคคลผู้ประมาทมีชีวิตอยู่มากนานเท่าไรท่านแบบเรื่องเหมือนตายแนละ้วเพราะอะไรเพราะความประมาทนี้เองที่ไม่ได้ก้าวเรื่องออกจากทุกภัยในวัฏสงสารหมุนเวียนไม่มสิ้นที่สุด ไม่ได้ประสบสิ่งที่สมหวังที่เราตั้งใจไว้ก็ได้ประสบสิ่งที่สมหวังเพราะความไม่ประมาทนี่เองความประมาทไม่ว่าทำอะไรทุกประเภททำด้วยความประมาทย่อมไม่มีผลและก็มีภัยเกิดขึ้นเหมือนกับเราขับรถด้วยความประมาทนั่งด้วยความประมาทยืนเดินทำอะไรด้วยความประมาทน้ๆๆอนๆตัวย่อมเป็นภัย ไม่ได้ครับความเก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายจะเป็นสังฆ ธ, ธรรมก็ดีอสังฆ ธ, ธรรมก็ดีร่วมแต่รวม อ, อยู่ในความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพรองจะหับขันพระเนตขานพระองค์ก็สั่งไว้ท่านทั้งหลายอ่สังขานทั้งหลายคืออัตภาพร่างกายจิตใจเป็นของไม่แน่นอน มีความเสื่อมสนุตจุดโทมทุกวันทุกเวลามีความสิ่นประมดไปทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นท่ทานทั้งหลายจงเร่งทําประโยชน์กนและประโยชน์ท่านใดถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้ประมาทเพราะฉะนั้นขอใหเราทาั้งหลายจงกําหนดจดจําธรรมะ ถ้นท่านนมาสวดกุศลาธรรมมากุศลาธรร ม, มาเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลท่านชื่อกุศนทั้งหลายอักุศนทั้งหลายอัพยาทั้งหลายมีในจิตใจของเรากุศนก็ยังบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราอักุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราอัพยากตจจธรรมทั้งหลายก็มีในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรา <c oughs> ไม่มีแนละ้วทำเหล่านี้ก็ไม่มี เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทาั้งหลายพยายามนำธรรมะเหลนน่านี้ไปเป็นนิพพิจนาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควร